พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบเก้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีเชื่อเรื่องว่าเป็นผู้มุ่งมั่นภาวนาและสละโลกวันในผมเห็นว่าพอมีเวลาเวลาว่างก็เลยเรียกหมูม่มาประชุมในระหว่างในช่วง เข้าพรรษาตัวเป็นช่วงที่พวกเราเป็นช่วงที่ว่างหรือเป็นช่วงที่จะต้องเร่งความภากเพียรพยายามผู้ที่จะเร่งนะผู้ที่จะเร่งก็สมควรที่จะเร่งในช่วงที่เข้าพรรษาเมื่อผ่านพรรษาไปแล้วก็จะวิตติตึงว่าการงานอย่างนี้กิจติมนต์อย่างนั้นอย่างนี้ คนที่มาเกี่ยวข้องแต่ในพรรษาถึงยังไงเราก็ถือว่าเป็นช่วงที่ควรจะเร่งความภาคเพียรเพื่อเผากิเลสให้เป็นจิตญาณักษณะันวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2554 ในช่วงเข้าพรรษามาเดือนกว่าๆเดินครึ่งกว่า<ม>เป็นช่วงที่พวกเราจะต้องประเมินผลแห่งการปฏิบัติของตนเองในเใช่ว่าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการปฏิบัติของเราเป็นยังไงในขณะเราเข้ามาบวชหรือว่าเราเป็นพระเก่ายังเป็นพระเสขะ ผู้ยังต้องศึกษาอยู่เราต้องประเมินผลว่าผลแห่งการปฏิบัติของเราในพรรษานี้กับพรรษาที่แล้วมันย่อย่อนต่างกันอย่างไรแต่ถ้าว่ามันย่อย่อนกว่าพรรษาที่แล้วพวกเราควรจะขันเกลียวเข้าหรือว่าหาเวลาให้มากขึ้นอย่าให้มันถอยหลัง การปฏิบัติธรรมถ้าถอยหลังแล้วมันจะมีแต่ถอยหลังลงครองถอยหลังไปหากิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะต้องเหยียบหัวใจของเราเพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชเพื่อจะชะําระกิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจเพราะนั้นพวกเราต้องประเมินว่าอย่าให้การประพฤติปฏิบัติของเรานั้น ย่อย่อนหรือถอยหลังเพราะชีวิตของเรามันไม่ถอยหลังมันก้าวหน้าไปเรื่อยเว่าการกระทำของเราจะไปถอยหลังแปลว่าสวนทางกันไม่น่าจะถูกต้องไม่ถูกต้องเลยละ่ะเพราะนั้นให้พวกเราต้องเป็นผู้ใส่ใจและเป็นผู้ตั้งมั่นหรือเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเอาจริงจัง ในภรษาการงานของเราถึงจะให้มีการงานแต่เราก็ต้องปรีกตัวอย่าถล่มกับการงานอย่าไปถือว่าการงานนั้นเป็นชีวิตจิตใจของเราการงานนั้นเป็นสรณงคัดฉามิไม่ใช่อย่างนั้นถึงยังไงก็คืองานมันไม่ใช่ตัวเพื่อทำความเพียรเพื่อมักเพื่อผลเป็นปัจจัยอาศัยของอาศัยชั่วคราวเท่านั้น ผมไม่ได้ให้เน้นหนักเรื่องการงานจนเกินไปแต่ถ้าว่าผู้ใดจะจะทำความผากความเพียรจะต้องกตั้งใจอดนอ น, นอนผ่อนอาหารก็ทำได้เต็มที่ผมไม่ได้ถือว่าการงานภายนอกนั้นเป็นสิ่งจำาเป็นสำคัญแต่ถ้าว่าอยู่เฉยๆพอทีอ่จะมีเวลาว่างจนไม่ทำอะไรเลยนั้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นก็ให้ทำ พ อ, อที่จะทําได้ก็ทําแต่พอที่จะเร่งความภาคความเพียรยายามอดนอนพ อ, อนอาหารอดอาหารภาวนาเป็นกิจจลักษณะอย่างที่ผมเคยพูดแนะนํำพวกท่านทั้งหลายการที่จะอดอาหารก็ไม่ใช่ว่าอดแบบลอยๆแบบหลักลอยไม่ไม่ไมีมม <nhưng S 1> เครื่องหมาย <nai. S 1> จุดหมายปลายทางพอบินเทาบาทไม่ทนันนอนตื่นสายแล้วก็อดไปอย่างนั้นแหะ อดไม่มีกดอดไม่มีเกณฑ์อดแบบหลอหลอเลยแหล ะ, ละอดดโดยความไม่ตั้งใจอดด้วยความไม่มุ่งมั่นอันนั้นใช่ไม่ได้ไม่ใช่ลุกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลุกสิทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทำอะไรต้องจริงจังและจริงใจเวลาอดอาหารก็ต้องเป็นจิตจะลักษณะว่าข้าพเจ้าจะอดอาหารกี่วัน ด, ด้วยความตั้งใจ ด, ด้วยความมุ่งมั่น ว่าจะอดอาหารทดลองดูในช่วงนี้เพราะการงานของเราเราจะไปถือว่างานของเราเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญงานของเรานันคืออะไรงานของเรามาเผากิเลสหมู่พวกเพื่อนก็ต้องดูดูรู้อยู่แล้วกิ จ, จวัดคอวัดของเราก็ทำไม่ได้ให้ขาดตกปกพ่องพอที่จะทำจุดไหนได้จากนั้นเราก็ตั้งจิตเอาจริงจัง เราจะอดกี่วันในใจของเรามีแต่ไม่ให้ตั้งสัจจะผมเคยพูดแล้วการทั้งตั้งสัจจะในการอดอาหารนั้นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราไม่สบายหรือวเวลานั่งหรือว่าเราทาไปแล้วภาวนาไปแล้วจิตใจมันเอาไม่อยู่มันปุ่งฟุ้งมันมีอยู่เป็นบางครั้งเพราะผมเคยผ่านในการอดอาหารมาแล้วแต่ผมพยายามแต่บางครั้ง มันก็เกินคาดเหมือนกันวันก่อที่จะอดอาหารพวกเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะทำอะไรอันดับแรกเราก็ต้องตั้งใจว่าขณะที่อดอาหารข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดอันนี้แหละคือเราต้องมีสัจจ์เราจะพยายามให้มีสติอยู่กับ ตัวเองให้มากที่สุดในการเคลื่อนไหวทุกระยบุตรเว้นเสียตลับถ้ายังมีการยืนเดินนั่งนอนอยู่เราจะมีสติสัมปชัญญะในทุกระยบยุอันนี้คือความตั้งใจหรือสัจจะกวาด้ยอันนี้คือเราต้องตั้งใจอย่างนั้นทีนี้พอเราอดอาหารตั้งแต่ตั้งแต่คืนนั่นแหละมาเราก็พยายาม เวลามันนึกคิดดึงกลับมาเวลามันเผลอไปดึงกลับมาเวลาเราจะเดินไปที่ไหนก้าวขาเดินให้มีสติในการเดินการจะยิบยื่นจะไปที่ไหนมีสติเข้าห้องน้ำห้องถ่าอาบน้ำมีสติทุกระยาบทจากนั้นก็นลงไปเดินอยู่กลมพยายามนั่งภาวนาพยายามนั่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทนเท่า ท, ที่จะทนได้เดินเท่าที่จะเดินได้ แล้วนอนให้น้อยที่สุดอย่าไปคิดในการอย่าไปอยากไปหาความสุขในการเมื่ออดอาหารแลไปหาความสุขในการนอนเราอดอาหารเพื่อภาวนาเพื่อทําจิตใจให้สงบนี่แหละผมว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายทําอย่างที่ผมทําอย่างที่ผมพูดพวกท่านก็จะมองจะเจอหนทางคือความสงบ ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ครั้งใดก็ตงครั้งหนึ่งไม่ขณะใดก็ต้องขนอหนึ่งถ้าว่าพวกท่านบวชเข้ามาแล้วคุยกันเป็นวันเอไปที่ไหนก็นมีแต่เรื่องสัพเพเห่แล้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าผมเน้นแล้วเน้นอีกพระเก่าคาว่าพระเก่าคืออะไรพระที่มีอายุพรรษาที่ผ่านการอบรมมาแล้ว พวกท่านทั้งหลายต้องสำรวมต้องระวังอย่าให้ผมหนักใจเมื่อท่านเข้ามาได้รับรับการศึกษาแล้วท่านอย่าพาหมู่ทำออกนอกครูนอกทางท่านต้องเป็นตัวของตัวท่านต้องเป็นหลักเพราะได้ท่านได้รับการศึกษาได้รับการอบรมจากผมมาแล้วแล้วก็ต้องดู mm. เป็นหูเป็นตาในวัดวาศาสานา อย่าไปทำอย่าไปทำความชั่วให้เขาเห็นอจะเป็นตัวอย่างให้เขาถ้าเขาไม่ชอบคุยตัวเองก็ไปชอบคุยคุยเรื่องสัพเพเหระคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายเป็นพระเก่าผมเน้นแล้วเน้นอีกพระเก่าต้องระวังต้องเป็นตัวของตัวเพราะสิ่งไหนผมก็เกาะข้องหูท่าน กออลงหัวใจท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำได้ทำไมเพราะอะไรไม่มีศรัทธาอย่างนั้นใช่ไหมไม่เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมถ้ามันไม่มีศรัทธาถ้ามันไม่เชื่อแล้วพวกท่านจะอยู่ในาศาสนาไปทำไมพูดอย่างนั้นได้อยู่ให้มันขวางโลกทางว่าอยู่ไปก็ มันพร้อมที่จะทําความชั่วเสียหายได้ทุกเวลาถ้าจิตประเภทอย่างนั้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเชื่อฟังก็ต้องปฏิบัติถ้าโมกพวกท่านปฏิบัติแล้วพวกท่านจะเห็นผลผลแห่งการปฏิบัติจะเกิดขึ้นในการปการธรรมนั้นเพราะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอสถเป็นมหาโอสถอีกต่างหากแก้กิเลสในจิตใจ ถ้าว่าแก้เข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วปฏิบัติเข้าไปแล้วพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นผู้มีกฎมีเกณฑ์เป็นตัวอย่างเป็นผู้ดำรงทรงพระศาสนาเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งคุณงามความดีศีลธรรมคุ ณ, ณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็จะเข้าสู่ในจิตใจของพวกท่าน แต่ว่าพวกท่านถ้ามาอยู่แล้วอยู่แบบละลอะเลยแหละไม่เอาจิงเอาจังเหมือนกับคนอื่นจะพายเรือพวกท่านเอาขาลาน้ำลักษณะอย่างนั้นนะมันจะไปได้ถึงไหนวัดวาศาสนาเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะ เ, เรื่องบุหลงเรื่องบุรีนะอย่าให้ผมได้พูดอผมไม่เคยสูบบุหรีแต่มาติดบุรีที่นาคาน้อยวัดฝ่านาคาน้อย อย่าให้ผมได้ยินอีกนะบอกแล้วให้ศึกษาให้ฟังว่าควรทำอย่างไร<ม>ควรปฏิบัติตนอย่างไร<ม>ขนาดไหนจึงพอเหมาะอย่าไปทำาอะไร<ม>ออกนอกโลกนอกลกูนอกทางเบอรอจนเกินไป<ม>จนไม่ละอายใครเลยไม่ได้นะ วัดวาศาสนามันไม่ใช่พวกท่านวัดองท่านองค์เดียวนะวัดวาศาสนามันเป็นของสาธารณะนะเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องคิดถ้าพระไม่คิดจะให้ใครคิดเพราะฉะนั้นคอรมท้พวกท่านทั้งหลายอืช่วยกันคิดในการเป็นอยู่อย่าให้คนทั้งหลายหรือว่าสัตว์ทาร์ย่รวมพุทธบริษัทตำหนิได้ เมื่อผมแนะนําไปแล้วสิ่งไหนควรทําเห็นแต่ผมก็ไม่ห้ามเด็ดขาดแต่ก็ให้รู้จักการสถานที่เราเหมือนกับเราขึ้นเวทีคนทั้งหลายมองเห็นมองดูมองดูเรามองดูเราไม่ใช่มองดูเราจะองค์เดียวมันมองดูทั้งหลวงพ่อลงไปหาพวกพระทุกองค์ด้วยอมันไม่ใช่เสียแต่พวกท่านนะมันเสีย ทั้งผมไปด้วยเพราะนั้นผมจึงกำชับให้พวกท่านทั้งหลายละวังให้มีศีลให้มีสินให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติให้มันถูกต้องในหลักเหตุและผลให้มันถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีในยุคในสมัย ความอยากสิ่งไหนก็ตามถ้าดูแล้วมันไม่ถูกต้องจะไปอยากทำไมถ้าเราอยากเราก็ต้องออกปกออกไปสู่ฆราวาสเขาทำยังไงเราก็ทำอย่างที่ฆราวาสเขาอยากทำาะไรทุกอยาก่างถ้าไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่เมื่อเราเป็นพระเราก็ต้องระวังเราเป็นพระควรจะอยู่ในสภาพเช่นไร ควรจะอยู่ในสภาพไหนนี่ขให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะเพราะต่อไปพระพุทธศาสนาฝากฝังฝากฝังไว้กับพวกท่านถ้าพวกท่านเละถึงแต่บัดนี้ถึงแต่พระน้อยพระหนุ่มต่อไปเป็นพระเท่าพระแก่แก่ขึ้นมาก็หากฎหาเกนไม่ได้พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้จะอยู่ได้นานจักเท่าไหร่ถ้าหาพระหากฎหาเจณฑไม่ได้เช่นนั้นฉะนให้พวกท่านทั้งหลาย ช่วยกันดูช่วยกันประพฤติธปฏิบัติให้อยู่ในหลักถึงจะไม่มีพระวินัยห้ามแต่โลกวัชชะมีเราก็ต้องดูโลกเขาเพราะเราเป็นอยู่ด้วยโลกเขาถ้าเราไม่อยู่ด้วยโลกเขาเอกไปอยู่คนเดียวไม่ต้องรับบินทบาทกับชาวบ้านเขาเราอยู่ได้ไหม ในเมื่อเราไปรับปินธบัตกับชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาตาําหนิเราก็ต้องฟังเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มองข้ามเรื่องโลกาวัชชะผมเคยพูดเปรียบเทียบให้พวกท่านทั้งหลายฟังไม่รู้กี่เรื่องตัวกี่เรื่องว่าพระในครงพุทธกาลมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่ละตอนหลักพระธรรมวินัยไม่ผิดในศีลในธรรมอีกต่างหากแต่โลกาวัชชะโลกเขาตีเตียนพระพุทธเจ้าก็ต้องระมัดระวัง เพราะประกาศาศาสนาไปไม่ได้ถ้าโลกเขาก็ต่อต้านแล้วถ้าโลกเขาไม่นับถือไม่เลื่อมใสแล้วนี้พวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังแต่สิ่งไหนก็ตามถ้าโลกเขาต่อต้านแล้วเราเขาไม่เห็นดีด้วยแล้วเขาระมัดระวังอยู่แต่พระเป็นผู้พาทรมชะเองทาอย่างเปิดเผยใชเองอย่างสูบบุหรี่ในที่สาธารณะอย่างนี้แต่เขาก็ยังไม่สูบชาวบ้านเขา S <S แต่ทำไมจะตายถึงขนาดานั้นเชียวเหรอระวังมลวัดระวัดระวังให้อยู่ในกรอบกว่านั้นไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลาย <S 2> <S 2> <S 2> ที่อยู่ในสาธารณอยู่ในชุมชนสาธารณชนพวกท่านต้องคิดนะต้องคิดถ้าไม่คิดไม่เป็นพ้นดีตอบ วงการพอต่อไปภายภาคหน้ามันจะเขม็งเกี่ยวขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเตรียมไว้รักษาไว้นะ่ะดีที่สุดห้ามตัวเองสิ่งไหนที่มันไม่ดีเล็กๆน้อยๆหยุดชะอย่าไปทำทำแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์มันจะตายครับมันตายกลัวตายเหรอ ตาคัวตาแล้วจะบวชทําไมเพียงแค่นั้นมันไม่ตายหรอกตัดกิเลสเพียงแค่นั้นไม่ได้หรอกกิเลสตัวอื่นเราจึงตัดมาแล้วเพียงแค่นั้นยังไม่ยังชอบ อ, อกชอบใจยัยงหนีจากมันไม่ได้หรอกถ้าเราเข้มแข็งเสียอย่างเดียวเท่านั้นนะทุกอย่างมันตัดได้หมดเท้าอ่อนแอปวกเปียกแล้วมันไม่ได้ทั้งนั้นนะในพวกท่านทั้งหลาย ที่ผมพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นคิดนะบอกให้พวกท่านคิดโดยเฉพาะยางยิ่งพระเก่าอย่าเป็นตัวอย่างของพระใหม่พวกพระใหม่ก็จะล้างไหลลังไห ล, าห ล, หลามาเรื่อยเข้ามาแล้วก็พวกท่านทั้งหลายไม่เป็นกดเป็นเกณฑ์เละตุ่มเปะไปหมดไม่รล่วขี่เก่ามารว่วขี้ใหม่เลย มันไม่ได้นะพวกใหม่พวกเก่าได้รับการอบรมได้ยินการได้ยินได้ฟังแล้วการเดินบินธบาตจะไปคุยกันพ่อโรคพวกเราเป็นสาสขยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าไปด้วยศักดิ์ศรีไปด้วยความมีฮิลิโอตปะไปด้วยศิลด้วยธรรมไปบินธบาติ อย่าไปจูบปุรีเดินคุยกันมั่วสมคุยกันไปเรื่อยขอโมงสงเสงไปเรื่อยเหมือนกับขอทานมันไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้ามีไหมถ้าเป็นอย่างนั้นถ้ามีบอกมาถ้าไม่ยอมฟังบอกมาพวกท่นานก็มามาศึกษานะมาไม่ใช่ให้ มาไม่ให้ใช่หลไม่ให้หลวงพ่อหนักใจเข้ามาก็มาขอบวชหลวงพ่อกรับแต่มาเพื่อการศึกษามาเพื่อให้หลวงพ่อเบาใจนี่นแหละถ้าทำไม่ถูกหลวงพ่อหนักใจนะถ้าทำถูกแล้วหลวงพ่อเบาใจเพราะนั้นสิ่งไหนคนตามเราเป็นผู้ใหญ่ทุกคนแล้วสิ่งไหนที่หลวงพ่อจะหนักใจพวกเราควรจะรู้ mm. การมวัวสมคุยกันหลวงพ่อสั่งแล้วบอกอีก ให้ตั้งใจภาวนาให้เดินโยกรมอย่างน้อยให้มีกฎมีเกณฑ์ให้มีหลักในขณะที่มาบวชอยู่กับหลวงพ่อเดินโยกรมนั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิได้จิตใจรวมเป็นหนึ่งได้มันจะมีความเออความจําเป็นนานเท่านานตลอดทั้งชีวิตถ้าพวกเราทําได้อย่างนั้นถ้ามา ร, รล่อหลแหล่แล้ ว, ลวนั่นแหละหเผอเผอยังตําหนิ บัดวาศาสนาอีกตำหนิหลวงพ่ออีกพูดอะไรก็ไม่รู้อีกเพราะตัวเองเียมันไม่ได้ตั้งใจเข้ามาแล้วัง เ, เหมือนไม้ปักขี่เลนหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้แล้วจะเป็นพระที่ดีออกไปเป็นคลอดจะเป็นโยมที่ดีได้อย่างไรมันเข้ามาหาของดีือยังไม่ได้ของดีแล้วยังได้แต่ของเร็วๆออกไปมือจะเป็นได้ของดีได้ยังไงมันก็ของเร็วอีกอย่างเก่าเนี่ย สิ่ตัวนี้พวกท่านทั้งหลายนี่ผมพผมพูดให้ฟังเลยนำไปคิดแล้วก็พร้อมกันนี่แหละผมว่าสติสัมปชัญญะในการภาวนาเรื่องอย่างอื่นเรื่องศีลก็คือเป็นรัว้วอ่กั้นกลางไม่ให้ออกไปนอกรูนอกทางลักศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจากนั้นเรื่องสมาธินี่นะ่สมาธิเนี่ยเป็น จุดที่จำเป็นสําคัญผมว่าให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติให้มีสติสัมปชัญญะในทุกริยบทถ้าเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ก็พยายามให้เป็นไปได้ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่หลับถ้าเป็นไปได้ออกจากกุฏิมาก็เดินภาวนามาเลยพุทโธพุทโธพุทโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเราเดินมา มาถึงแล้วก็ทำกิจธุระพอได้เวลาจะทำอะไรปัดกวาดทำความสะอาดก็ช่วยๆกันทำแล้วก็ลดรีบรีบจบแล้วก็หาที่ภาวนาศึกษาเพื่อมีเวลาัปศึกษาอ่านหนังสือตำรับตำราหนังสือพระพุทธศาสนามีต่งเยอะแยะซึ่งสือไม่ได้เรื่องอย่าไปเอามาอ่าน นี่ยงนิยายอย่างงน้นอย่างนี้อย่าเอามาอ่านให้ผมเห็นนะอะแต่อ่านหนังสือพิมพ์ก็เถอะอย่าให้อย่าให้ผมเห็นเพราะเราไม่ได้มาศึกษาในสิ่งเหล่านั้นเรามาศึกษาธรรมะต้องอ่านหนังสือธรรมะสามเดือนเแล้วไปพยายามอย่างที่ผมพอบอกนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามนั่งให้ดาน นานเท่าที่จะนานสู้กับเวทนามันเจ็บปวดขึ้นมาเรานั่งอย่างอื่นเรานั่งได้เราตาแตกตากปวดอย่างอื่นเรายังตากได้เอาเล่นกีฬงกีฬาเนี่ยเหงื่อแตกเหนื่อยไรเหนื่อยขนาดไหนเรายังสู้ได้แต่เรานั่งภาวนา น, นี่ยทาไมเราไม่สู้เราต้องสู้สู้ทดลองดนะูสิเป็นยังไงอมันจะถึงตายขนาดนั้นเหรอไม่น่าจะถึงขนาดนั้นมันปวดปวดขนาดไหน ปัวก็ต้องดูความปวดต้องดูใจตัวไหนมันปวดมันจะต้องถึงจุดจบสักครั้งหนึ่งให้ได้ถ้ามันผ่านความเจ็บปวดไปนั่นแหละทำมันจะเกิดความรู้สึกมันจะเกิดความสงบมันจะเกิดมันต้องผ่านทุกภัยจาก่อนมาจึงสุขทุกขษาสะนันตลังสุขขัง มันต้องทุกข์สก่อนมันจึงมีความสุขไม่ว่างานชิ้นไหนการเรียนหนังสือก็ทุกขเมื่อเรียนจบแล้วก็ได้การงานทาที่ดีเวลาทาการทางานมันก็ทุกแต่เมื่อทำจบแล้วเราก็ได้บ้านพักพาอาศัยเคยมีไหมมีจุดไหนบ้างมันมีความสุขก่อนแล้วมีเออมันมีสุขแล้วก็สุขไป นอนฝันไปแล้วก็ได้ของดีอืมมันได้แต่ฝันหลงๆแรงๆไปอย่างนั้นนะนั่นก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะต้องสู้นะเอาทุกเป็นทุนเอาสุขเป็นกาไรอันนี้เหมือนการการนั่งภาวนาเราต้องสู้ให้ทุกทุกไม่เป็นไรอืมเวทนาขนาดไหนถ้ามันผ่านเวทนาไปได้แล้วนั่นแหละความสงบจะเกิดขึ้นจะรู้ได้ แต่ถ้าเรายัางนั่งภาวนาพอเจ็บหน่อยนันก็หยุดใช้ไม่ได้นะหมู่พกเพื่อนนะการภาวนาก็อย่างที่ผมบอกกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธทกบริกรรมจากนั้นก็จะพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุการร่างกายพิจารณาเป็นอสุภะปฏิกูลเปรียบนอเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราดูเขาดูเราชีวิตของเขาชีวิตของเรา นะพวกเราตั้งใจผมมาพูดวันนี้ก็ไม่ได้พูดอย่างอื่นเพีเงเยงแต่ว่าขมิงหมุนเกลียวให้พวกเรามุ่งมั่นต่อสมาธิให้เข้มงวดกวดขันตัวเองในการทำสมาธิเพราะเดือนกว่ า, วาแล้วถ้าเราจะปล่อยไปก็ปล่อยปะละเลย เละเทะ เ, เละเทเลเทเลเทไปอย่างนั้นมันหากดหาเกณฑ์ไม่ได้นะอย่างน้อยให้ได้กดเกณฑ์อผมได้ยินว่าโอ้ผมนั่งภาวนาใจของผมสงบลงพอเป็นง้นอย่างนี้มาผมจะได้กํำลังใจในการรับรับเพื่อนรับพระอยู่ในวัดผมไม่ได้รับมาเพื่อจะให้ต้องการหมูมากอย่างนั้นไม่ใช่นะอืผมไม่ได้สมัคร พวกท่านทั้งหลายมาสมัครเองที่มาบวชผมก็รับรับบางคนผมก็ไม่รับอีกต่างหากก็มีหลายคนที่ไม่รับดูดูแล้วมันไม่เข้าดูเรื่องแล้วพอที่จะเป็นไปได้ผมก็รับรับด้วยความทางใจรับด้วยความเมตตารับด้วยความหวังดีพอรับแล้วกัน่ะรับภาระทุกอย่างในการเป็นอยู่หมู่พวกเพื่อนทุกยากําบากอย่างไร ผมเป็นผู้ดูแลพรนั้ น, นพวกท่านหลายก็มาบวชให้ตั้งใจมาแล้วจะให้ผมแนะนําสั่งสอนอย่างไรและให้ทําแต่ทําไปแล้วไม่ได้ผลให้บอกมาใม่ทุบบอกผมเพราะผมบอกผู้สั่งไปแล้วทําไปแล้วผมเคยทํามาแล้วที่ผมบอกเพราะทนาย ห, หมู่พวกเพื้อนทุกองนะตั้งใจนะ